ให้คาดถึงว่าโจนชุ่มเลือดมือชุ่มเลือดนี่จะว่ารู้แจ้งของว่าคุกเขา่าถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะ่ยอยากคิดว่าได้ยินแล้วไปปฏิบัติอีกหลายปีไม่เลยครับได้ยินประโยชน์เดียวเท่านั้ น, นะครับเราหยุดแล้วท่านมาหยุดแต่คามันหยุดมีความหมายลุม่มลึกเช่นเดียวพระภายยะครับตรัสรู้ขณะที่กุมข้อเท้าพระเจ้าอยู่นะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อก็ไม่ต้องพูดกังครับแต่สำหรัผมผมไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้เพ้อเจ้อเรื่องเหล่านี้คือ mutation ครับ การกลายกลับฉับพลันในขนาดนั้นด้วยสายเหตุปัจจัยภายนอกแวดล้อมเข้าสั่งสมบารมีทำมาอย่างแปลกประหลาดแล้วสองสิ่งนี้มาเจอกันในสถานที่เหตุการณ์หนึ่งทำให้คนนั้นกลายเป็นผู้เข้าถึงชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าไม่ถึงชีวิตเพราะความคิดเพราะสติที่เป็นโมหะการกระทําของมนุษย์เราทั้งกายทั้งวาจาทั้งความคิดอย่างเนี้ยอยู่ภายใต้ความมืดทั้ ง, งครับ นอกจตกความรู้ทางโลกนี่เป็นเรื่องมืดๆทั้งนั้นนะครับที่เรารู้มาเนี่ยเลขคณิตอะไรหนึ่งคือเราไม่รู้เองเราเรียนในโรงเรียนครูสอนมามีโปรเฟสเซอร์สอนเรามาเราก็พิสูจน์ได้ตามบ้างแต่แล้วในสุดก็กลายเป็นความรู้ในประวัติศาสตร์ก็ดีศาสนะาธรรม็ดีนี้เป็นความรู้ที่อยู่ในเคขลองความมืดครับเดียกกายวาจาจิตของเราเคลื่อนไหวภายใต้ความมืดมันจึงเหงาววาดเวสงสัยลังเลและสับสนกันตลอด ก็เป็นฉะนั้นเราก็รู้อฟื้นสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับแสงสว่างในตนเองความมืดหนึงเป็นปริมาณมหาศาลเลยนะไม่เพียงแต่ความมืดในช่วงชีวิตของเราเท่านั้นแนวโน้มที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมของเราก็เป็นอยู่ในความมืดเช่นสัมชาติยานความมันนักสู้ก็ดีความมันมนช่างคิดก็ดีความมันสายพันธุ์สายเลือดก็ดีจริงๆนั้นเป็นอยู่ในเครือความมืดที่สิ้น ดังนั้นยานที่สําคัญที่สุดจะถูกเรียกว่ายานข้ามโคดรครับมีคําว่าโคตรภูยานนี่คือมูเตชัน ค, ครับการกลายกลับไปสู่อีกโคตหนึ่งเลยไม่ไม่สืบทอดโคดของบุตรชนอีกแล้วดัง น, นั้นเราก็ทําให้กายวาจาจิตเคลื่อนไหวภายใต้ความรู้ตัวความสว่างเพราะก่อนหน้านั้นมันอยู่ในความมืดมันจะยกมือมันก็มืดๆไปอย่างนั้นครับมันไม่รู้เลครับหรือจะพูดกับมืดๆจะคิดกับมืดๆไม่รู้ตัวทั้งนั้น เราก็กอวดของการกทํากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมภายใต้แสงสว่างของความรู้สึกตัวแล้วแสงสว่างความรู้สึกตัวนี่มันเป็นอยู่แล้วครับมันคือแสงของชีวิตแสงของการดํารงอยู่นะครับทุกคนรู้ตัวอย่างนี้ครับแต่มือขยับเราอาจจะรู้ตากระพริบเราอดจจะรู้แต่ประจิตคิดเราไม่รู้แล้วครับสติเราอ่อนเกินไปมันก็ผี่เราตกแทนที่นั่งไปเลยแล้วมันนั่งแทน เพ้นการสอนให้เจริญาตรีนี่คือสอนให้มีโมหะชนิดหนึ่งถูกคนระับผมเห็นด้วยจนกว่าจะสอนให้เราวความรู้สึกตัวให้ตืนะ่นครับปลุกตัวหนึ่งที่หลับอยู่ให้ตื่นแล้วตัวนั้นจะทํากิจของท่านเองคนระับของเขาเองขอขอยุติเท่า น, นี้นครับไม่มยอมให้เลิกไม่ยอมให้เลิคือ้ อ, อ, อสุดท้าอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเอามาบรรยายที่มีในครั้งสุดท้ายโอ้กับ ที่นี่เราผมก็เป็นนี่ผมก็เสียใจมากผมแบบเพราะว <c oughs> ่าเราเอ่อเป็นอาจารย์ทีมาเป็นนานแล้วนนรเราไม่ได้ฟังเสียอาจารย์แล้วอาจารย์จะมีแข่การยังไงกัทานีาจารย์ไปฟังที่ไหนหรือจะมีอะไรอจริงอาจารย์เป็นคนนี้เป็นอาจารย์ผมครับแต่ <c oughs> ปีนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงปีนั้นผมเป็นนักบวนอยู่เรารู้สึกขึ่งแปลกใจที่มีบาศกคนหนึ่งขึ้นบรรยาที่ส่วนโมก แล้วอุบาสกคนนั้นอุปมาหรงูเหลือมครับผมนังจาจาฝังว่าเป็นอุปมาที่ดีมากแต่เรางูเหลือมตัวหนึ่งเนี่ยมันหิวโหมันผอมันก็เลื้อยก็ไปกินไก่รอดนกกรงกันไปมันก็จับไก่กินมแล้วมันออกไม่ได้มันอ้วนขึ้นนี้ในสุดตัดสินใจคายคายไก่ไปอชีวิตรอดอันนี้อุปมาที่ดีมาก ก็เอาไปขังไว้ในในในในในเขียงนั่นนะในเขมันมีรูนะไมงูยิงฉลามครคือคือใช่หางออกก่อนโออคือหางออกมานะเอาหางออกคนคลายคนคลี่ไม่จะรีบดูเอาไปที่ไว้ในเขียงแต่ตัวตัูก็งูเลื้ยงกระหายไปครับคิดว่าจริงไม่เคยลืครับผมจำไม่ลืมเลยครับอุปามาดีมาก ใช่เลยครับว่าจะมีรายการอะไรไม่ใช่อาจารย์ยั ง, ไ, งไม่ได้ตอบนะไม่ไตอบเลยอาจารย์ในรายการไ ห, ไหอผมไม่แน่ใจว่าต้นปีนี้ผมจะอยู่ที่ไหนครับอ้ค่ะผมไม่แ น, น, น, น่ัก็มาไปจะนายกมเจะมารสำรวจร ดไมากดี่า <laughs>